กราบบูชาพระตนตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเตี้ยหลวงพ่อกำกเขียนข ก, ก, กราบคารวะหลวงปฐกมอาจารย์สรงเศิลป์อาจารย์วัฒนชัยและก็ขอคารวะเพื่อนสาธมิกเจริญพรมายังไม่ชีวาสุขบาสิ ก, กาที่มาร่วมกันทำมุสสดมนในวันนี้ <c oughs> วันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาคม <c oughs> นะพุทธศักราชสองพัน้า้อยห้าสิบเจ็ดถ้าจะไม่ผิดวันนี้น่าจะเป็นวันเกิดของอาจารย์พุทธทาสนะซึ่งตามธรรมเนียมของสวนโมกเนี่ยเขาก็จะมีการทำบุญล้ออายุกันนะซึ่งตรงนี้ก็น่าที่จะได้ระลึกถึง ท่านอาจารย์พุทธทาสซึ่งถือว่าเป็นปราฏิหาริย์พุทธศาสนาในยุคปัจจุบั น, นเป็นผู้ที่รื้อฟื้ น, นหรือว่าเป็นผู้ที่นําเอาเรื่องที่เป็นสาระสาคัญนในพระพุทธศาสนาเนี่ยกับคืนมาสู่คนยุคปัจจุบั น, นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ พระนิพพานนะซึ่งแต่ก่อนคนก็ไม่ค่อยได้สนใจกันนะส่วนใหญ่ก็สนใจกันแค่เรื่องการทําบุญนะเพื่อที่จะได้ไปสวรรค์ น, นะแล้วก็ไปสนใจว่าเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องนิพพานไปเอาต่อเมื่อตายไปแล้วนะเส้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ ท่านเจ้ร์พุทธทาสเนี่ยพยายามที่จะเน้นนะว่าสวรรค์ น, นิพพานเนี่ยเราสามารถที่จะสัมผัสดได้นะในชีวิตปัจจุบันนะซึ่งตรงนี้ท่านก็มีการอ้างอิง ใ, นะในพระาบาลีนะในพระไตรปิฎกนะไว้อย่างชัดเจนนะโดยพระเจ้าได้พูดถึงสวรรค์ น, นิพพานที่ตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วก็ใจเนะ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเข้าใจแล้วก็น้อมนำมาปฏิบัตนะิจนถึงปัจจุบันนี้เนะซ่งถือว่าท่านเป็นผู้ที่เรียกว่าฟนะื้นฟูพุทธศาสนาในส่วนที่เป็นกันสารหรือสารสสำคัญจริงๆนะซึ่งในส่วนนั้นก็เป็นเรื่องของปริยัตนะิเรื่องของทฤษฎี นะที่เราได้ยินได้ฟังมานะในส่วนของการปฏิบัตนะิก็คือการที่เรามาเจริญสตินะที่เรากระทำกันนะเพื่อที่จะได้สัมผัสนะกับสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดในพระพุทธศาสนาหรือประโยชน์สูงสุดของการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ในะพระพุทธศาสนาในชีวิตของคารวากะก็ดีในสังคมก็ดี นะส่วนใหญ่เราก็มุ่งหมายนะที่จะมีชีวิตนะมีทรัพย์สินเงินทองมีชื่อเสียงเกียรติยศนะมีความสุขนะทางเนื้อหนังนะทางร่างกายนะหรือแม้แต่ทางจิตใจก็ดีนะนะเป็นประโยชน์เบื้องต้นะประโยชน์ในปัจจุบั น, ะนนะที่เกิดจากการที่เราทําการทำงานมีความขยันขันแข็ง นะทําด้วยความสุจริตนะเราก็ได้รับประโยชน์นะจากสิ่งที่เราได้ทําไปนอะกจากนั้นเราก็ยังได้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์้นหะน้าก็คือการที่เราทําคุณงามความดีนะทําให้เรามีความามีความสุขนะมีความระลึกถึงนะสิ่งที่เราทํากุงามความดีแล้วก็รู้สึกว่ามีใจสบายนะ ป, ปลอดโปร่ง มีความภูมิอกภูมิใจนะที่เราได้ทําสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะซึ่งอันนี้ก็เป็นก็เรียกว่าเป็นประโยชน์เบื้องหน้านะอันนี้อ น, นิพานเนี่ยในะที่สุดแห่งทุกเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุดนะที่มนุษย์เรานะควรที่จะได้สัมผัสสัมพันธนะ์หรือควรที่จะโน้งหมายนะไปถึงโดยเฉพาะเมือ่อ พระที่บวชใหม่เนี่ยนะถ้าเราไปแปลคําในการขอบวชเนี่ยนะมันจะมีคําอยู่คำหนึ่งว่ า, าการบวชครั้งนีนะ้ก็เพื่อทําพระนิพพานให้แจ้งนะเราไม่ได้มาบวชเพียงแค่เป็นพระสงฆ์สมมุติหนะรือว่านุ่งห่มพระเหลืองนะแล้วก็มีรูปร่างเป็นพระสงฆ์เฉยๆนะแล้วก็เพียงแค่ไหว้พระสดมนัน นะช่วยงานวัดนะซึ่งตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์แต่ประโยชน์สูงสุดที่เรานะ่าจะต้องทําก็คือการทาําพรนะนิพานณิแจ้งนซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสูงสุดนะในพระพุทธศาสนานะการที่เราได้มาอยู่วัดนะเราก็มีจุดมุ่งหมายตรงนั้นแต่การมณิพาณเนี่ยนะโดยส่วนใหญ่นะเราก็ไปมุ่งหมายเป็นบางทีก็ไปมุ่งหมายเป็นสภาวะอันลึ เป็นโลกอันหนึ่งซึ่งมันอยู่ไกลามากนะถ้าเราฟังแนละ้วมันไม่ค่ยรู้เรื่องนะซึ่งอาจารย์พุทธทาสเนี่ยท่านก็ได้เฉลยเอาไว้ชัดเจนนะคำนิพพานนี่หมายถึงว่ามันเย็นนะคนสมัยครั้งพุทธกาลนะเมื่อพูดถึงข้าวที่มันร้อนนะก็บอกให้ลูกว่าให้มันนิพพานก่อนนะให้มันเย็นก่อนแล้วก็กินนะหรือว่าสัตว์ตุร้าย มันยังไม่เชื่องนะก็เรียกว่าสัตว์มันยังไม่นิพานนะต้องฝึกให้มันเชื่องนะแล้วมันก็จะเรียกว่าสัตว์น้มันนิพานนะการมันิพานในที่นี้ก็หมายถึงใจมันเย็นลงใจมันเชื่องขึ้นในแง่ของจิตใจของคนเราก็เหมือนกันเนะมื่อใจเราร้อนรุนะ่มก็คือเรายังไม่ได้สัมผัสกับนิพานรนะิใจมันยังไม่นิพานนะซึ่ง สภาวะตรงนี้เนี่ยเราพอที่จะ <c oughs> สังเกตเห็นได้แนะถ้าเราพูดกันเป็นภาษาธรรมดาของไทยเราก็คือใจปกตินะฮะใจเราปกติแต่ว่าความเป็นปกติของเราเนี่ย <c oughs> เราไม่ได้ก็ได้สังเกตมันอย่างตลดที่เรานั่งฟังเอ่อเวลานี้เนี่ยลองสังเกตดูนะจิต <c oughs> ใจของเราเป็นยังไง นะถ้าเราไม่เื่องไม่ซึ้นะไม่งกแงกนะมีการเติมรู้อยู่จิตใจเราเป็นปกติอยู่นะมันก็ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่พอใจไม่เสียใจนะตรงเนี้เป็นสภาวะที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นนิพพานชั่วคราวนะนิพพานที่ลักษณะที่ลักษณะนะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราจะสังเกตได้ว่า เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตจิตใจของเราเนี่ยเป็นปกติอยู่เนี่ยคนเราที่ไม่เครียดนะไม่บ้าไม่ประโลมประสาทเนี่ยก็มีสภาวะที่เรียกว่าปกติหรือนิพานเนี่ยมันช่วยเรียกว่าคุ้มครองเรายูนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเนเพียงแต่ว่าเราไม่่อยได้มาสัมผัสหรือไม่ได้มาเห็นมัน นะการที่เราไม่ได้มาเห็นเพราะอะไรก็เพราะเราไม่ได้มาศึกษาไม่ได้มาดูนะไม่ได้มาสังเกตนะการที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยก็จะต้องอาศัยสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัวนะหรือสติสัมปชัญญะนั่นเองมานะที่เรามาฝึกกันเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เห็นตรงนี้แล้วจะได้ให้ใจเนี่ยนะมันคืนสู่ความเป็นปกติได้บ่อยๆ การที่เราไม่ได้มาฝึกไม่ได้มาดูไม่ได้มาเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเราก็จะทำไปตามความเคยชินนะหรือทำไปตามที่เราเอาอยากนะเช่น <c oughs> เรามีความรู้สึกว่าเออได้นอนนะก็รู้สึกมีความสุขสบายนะยิ่งอากาศเย็นเย็นอย่างนี้นะฝนตกนะชุ่มฉ่านะรู้สึกสบายเราก็อยากจะนอนไปเรื่อย นะเราไม่อยากจะลุกขึ้นมานะตรงนีน้ก็ทำให้เราติดนะติดสุขก็เรียกว่าติดสุขเมืนะ่อติดสุขมันก็เลยไม่รู้นาะสภาพนะที่เป็นปกตินะมันหลงไปในความสุขหลงเพลิดเพลินะไปในความสุขความพอใจนะซึ่งตรงนี้นนะก็เป็นจุดหนึ่งนะที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมาสนใจนะที่จะมาฝึกฝืน นะ่ะหรือฝึกการเจริญสตินะ่ะพ่อก็บอกว่าโอ้โหมาเจริญสติก็ดีมาฝึกสมาธิมาภาวนานก็ดีมาลําบากนะมันต้องทวนกระแสนะความเคยชินเก่าเก่าทวนกระแสความอยากเก่าเก่านะที่เขาเคยชินหรือนะไม่ต้องว่าใครนะตัวเราเองก็เป็นเหมือนกันนะเราก็จะติดสุขติดความพอใจนะมีความเพลดิดเพลิน นะในสิ่งที่เราคุ้นเคยนะ่ง้นตรงนี้เนะี่ยก็ทำให้เราเนี่ยนะ เ, เกิดความเมื่อสิ่งที่เป็นความสุขเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดนะเราสังเกตดูนะนะช่วงเช้าอากาศเย็นสบายนะเรารู้สึกพออกพอใจมีความสุขนะเดี๋ยวช่วงสายนะแดดพันร้อนนะก็รู้สึกร้อนอบอ้าวขึ้นมาก็ไม่พอใจอีกแล้ว นะความสุขหายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนทีนะ่ซึ่งตรงนี้เนี่ยคนที่ติดสุขก็ดีติดความพออกพอใจก็ดนะีก็จะต้องเจ็บปวดนะจะต้องทุกข์ทรมานเมืนะ่อนะสิ่งที่เราคุ้นเคยนะก็คความสุขความพอใจเนี่ยมันเลือนหายไปนะแล้วก็เป็นความทุกข์้ามาแทนที่จริงๆความสุขความทุกข์เนี่ยมันมันก็ เนเรื่องของการแปรปรวนนะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่เพราะว่าเราไปติดยึดนะในความสุขในความพอใจนั่นเองนะก็ทําให้เราทุกนะในภายหลังเพราะฉะนั้นในในในหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะถ้าเราสังเกตดูให้ดีเนี่ยความสุขมันไม่มีหรอกมันมีแต่ความทุกข์นะความสุขเนี่ยก็คือความทุกข์ที่มันยังไม่มากพอ ที่มันยังไม่แปรเปลี่ยนไม่แปรปรวนไปเพราะฉะ น, นั้นเมื่อมันแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปมานะโดยที่เราไม่ได้เตรียมใจเตรียมตัวเราไม่ได้รู้จักมันจริงๆริงนะมันก็เลยทุกนะตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ที่เจริญสติก็ดีผู้ที่ฝึกฝนก็ดีจเจนสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นการมีชีวิตการมาฝึกปฏิบัติเนี่ยก็เหมือนกับเรามาใช้ชีวิตนะที่ทวนกระแสความอยาก ความเคยชินเก่าๆนะที่เราเคยติดเคยยึดอะไรนะเราก็มาฝึกฝืนฝึ ก, ฝกที่จะทวนกระแสไปนะซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้เราเห็นความจริงนะเห็นความจริงของสิ่งต่างๆนะที่เราไปเกี่ยวข้องสัมพันธนะ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศนะเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการเป็นอยู่นะซึ่งมันก็ไม่ค่อยสะดวกสบายเหนะมือนย่งกับเราอยู่ที่บ้าน เราอย่หรออในที่ที่เราสามารถที่จะจัดการได้นะอย่างเรามาอยู่ที่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะเดี๋ยวฝนก็ตกเดี๋ยวอากาศก็ร้อนเดี๋ยวแมาลางก็มากวนนะถ้าเรายังทําใจไม่ได้เราอยังปรับตัวปรับใจไม่ได้นะเราก็จะมีความทุกขนะ์ทุกในเรื่องที่อยู่ทุกในเรื่องอาหารการกินนะทุกในเรื่องของสิ่งต่างๆเกิดขึ้น ใ น, นการที่เรามาอยู่กับธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติก็ไม่เคยมีการปูนแต่งไม่มีการเสสร้างแล้วก็เราไม่ได้ไปควบคุมนะหรือไปจัดทําให้มันมีขึ้นมาตามใจเราได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสภาพแวดล้อมเนี่ยที่จะให้เราเรียนรู้ความจรงิงนะความจริงที่แสดงอันแรกก็คือความทุกข์นั่นแหละความทุกข์ที่ไม่เป็นอย่างใจเรา ความทุกข์ที่ไม่เป็นมาอย่างที่เรานึกคิดนะตรงนี้นะ่าเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เรามีโ อ, อกาสได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นการมาเจริญสติคดีการมาปฏิบัติธรรมก็ดีนะอย่าไปฝันนะหรืออย่ไปจินตนาการนะว่าโอ้โหมันจะต้องสงบนะมันจะต้องนิ่งนะมันต้องม่คิดอะไรนะอันนั้นคือฝันจินตนาการไปแลนะแต่การเจริญสติหรือการปฏิบัติธรรมการทําจิตภาวนาเนี่ย คือการที่เราได้เผชิญกับสิ่งที่เราคาดไม่ถึงมีทั้งสิ่งที่จะทำให้เกิดความพอใจและไม่พอใจซึ่งในเบื้องแรกเนี่ยเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมีทั้งพอใจไม่พอใจเนือซึ่งตรง น, นี้เนะี่ยเราก็จะต้องอเผชิญหน้ามันเลยนไม่ต้องไปหลีกเลี่ยงมันเราอยู่ในโลกอยู่ในสังคมเนี่ยเรายังมีโอกาสที่จะหลีกเลี่ยงได้เช่น มันร้อนเราก็เข้าห้องแอร์สบายนะมันเย็นมันหนาวเราก็มีเสื้อผ้าใส่นะให้มันอุ่นนะหรมีความทุกข์เช่นมีความเครียดมีความหดหูด่นะเราก็หนีไปทํากิจกรรนู่นนี้มาไปเที่ยวเตรนะไปเสวนเสยงยากับเพื่อนฝูงหรือหาอะไรอร่อยอร่อ ย, ออยกินนะเรียกว่าเป็นการหลบหลีกหนะรือว่ากลบเกลืน ความทุกข์ท wow. ี <Yeah. S 1> ่ม really mm ันเกิด <niño> ข <surgeries> ึ้นเราแสวงหาความสุขแต่เราไม่กล้าที่จะเผชิญกับความทุกข์ชีวิตของคนในสังคมในเมืองส่วนใหญ่เนี่ยมีความเห็นว่าเราต้องหาความสุขแต่ในแง่ของผู้ที่มาปฏิบัติเนี่ยก็คือการที่เราพร้อมที่จะเผชิญกับความทุกข์คือเราไม่หนีความทุกข์เนี่ยเราพร้อมที่จะเผชิญหน้าพร้อมที่จะเรียนรู้เพราะความทุกข์เนี่ยเป็น แบบฝึกหัดเป็นบทเรียนนะที่จะทำให้เรานะได้เรียนรู้ลักษณะหน้าตาของเขาเป็นอย่างไรนะแล้วเมื่อเราบัชเทิญกับความทุกข์เนี่ยนะเราจะได้เห็นเมตตแห่งทุกข์ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรอนะย่างเราจะสังเกตได้ก็คือความทุกข์เนี่ยเกิดจากการที่เรายึดติดเราเคยชินกับความสุขมากมากนะพอความสุขหายความทุกข์มันก็มานะอันนี้มันก็จะแทนที่กันอย่างนี้อยู่ตลอดเวลา เพราะนั้นการที่เราไม่หลบหลีกาการที่เราเผชิญหน้าเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ใความจริงในที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราในซึ่งเครื่องมือสําคัญที่เราจะเรียนรู้คือความรู้สึกตัวไม่ใช่ความคิดนะการปฏิบัติธรรมการจเจริญสติอย่าใช้ความคิดเลยการใช้ความคิดคือการหาเหตุหาผลหรือการฟังและจดจําจดจำว่านะอ๋อความทุกข์มันเป็นอย่างนี้นะอ๋อมัน เนอย่างนี้เราคิดหายเหตุหาผลอันนั้นใช้ความคิดแล้วนะไม่ได้เป็นสิ่งที่เราสัมผัสตรงๆเพราะนั้นการสัมผัสตรงๆก็คือการที่เรามารู้ที่กายเคลื่อนไหวนะแล้วก็เห็นใจที่มันคิดนิด น, นะในเบื้องแรกเนะี่ยการรู้ที่กายเคลื่อนไหวบ่อยๆนะตรงนี้เป็นการเรียกความรู้สึกตัวกลับมาอยู่กับเนกับตัวเราเจอสิ่งที่เราคคยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ ไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระไม่เห็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยมันก็จะเริ่มมาสนใจจังแต่ก่อนเนี่ยเราเดินเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราเดินนะเราเดินไปโดยเราคิดไปเราเพลินไปเราไม่รู้ตัวนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งธรรมดาสามัญมากแต่เพราะความที่มันธรรมดาเกินไปนั่นแหละเราเลยไม่สนใจแต่เมื่อเรามาจเจริญสตินามาทำความรู้สึกตัว เราเราก็มารู้ที่กายเคลื่อนไหวแม้แต่การเดินเราก็รู้สึกตัวกับการเดินการนั่งการยกลายยับมือเนี่ยเราไม่ได้ยับเปล่าเราไม่ได้ยับลอยเรารู้สึกตัวด้ว ย, เ, ยเราพลิกเราก็รู้เราเคลื่อนเราก็รู้เราหยุดเราก็รู้มันเรียกว่า สิ่งธ ร, รมดาธรรมดาที่มันมีอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยเราเริ่มสนใจเราเริ่มที่จะสังเกตว่าเออสิ่งนี้มันก็มีนะแล้วมันเราตาะหนใจเนี่ยมันอยู่กับเนื้อกับตัวแต่กอนใจนะมันหลงไปกับความคิดหลงไปกับอารมณ์ต่างๆแล้วนะก็ทําให้จิตใจของเราหนาะฟูฟแ ฟ, ฟบแนาะฟูก็คือดีใจด้สิ่งที่สมหวังสิ่งที่พอใจ เดียวแฟบก็คือสิ่งที่เราสมหวังพอใจมันหายไป <c oughs> นะตรับตงนี้มันก็ให้แฟบลงไปเพราะนั้นจิตใจมันก็ฟูฟูฟัๆคนที่ไม่ได้ฝึกสตินะไม่ได้เจริญสติไม่ได้ทำจิตภาวนาเนี่ย้วนะก็มีชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยนะชีวิตที่ระหกละเหืนนะเพราะว่าไป หลงนะอยู่ในอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นไปหลงในความคิดปรุงแต่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็มีความคุยหานะอยากจะได้ความสุขความพอใจนะที่เราเคยได้รับนะไม่ว่าจะเป็นความสุขที่ได้จากการได้เห็นการได้ยินการดมกลิ่นการลิ้มรสการสัมผัสนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนมะืนะ่อเราไปติดไปยึดไปอยากขึ้นมาแล้ว แน่นอนละนความทุกข์เนี่ยมันก็จะต้องมาอย่างแน่นอนตามไม่ได้ก็ตามที่เรารู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็จะเกิดการปล่อยวางไปเองโดยไม่ได้ใช้ความคิดาการที่เราเห็นความจริงเนี่ยมันจะเกิดการปล่อยวางเองซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาศัยการที่เราฝึกฝนนทำบ่อยๆทําอย่างต่อเนื่องซ้ำแล้วซ้ําอีกเห็นกายที่เคลื่อนไหว เห็นใจที่คิดนิดบ่อยๆทําแล้วทําอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกมาตรง น, นี้มันก็จะเห็นธรรมชาติและความจริงของกายที่มันมีการเคลื่อนมีการไหวมีความเจ็บมีความปวดเมื่อยมันร้อนหนาวงานไมกว่าเป็นไข้ขึ้นมาเรรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายตรง น, นี้เป็นสิ่งที่เมื่อเราได้ฝึกจญสติ เราก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยนะเราก็จะรู้ความจริงของมันว่าโอ้มันก็เป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นนะมันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนะมันไม่เป็นดังใจเราที่เราต้องการนะซึ่งอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นตอนนั้นตรงนี้เนะี <c> ่ย <oughs> การเจริญสติเนี่ยก็จะแต่ไม้เกิดภาวะผู้ดูเีนะ่ยไม่ได้เป็นภาวะที่เขาไปเป็นนะ สุขก็พอใจทุกข์ก็ไม่พอใจนะตรงนี้นก็คือการที่เข้าไปเป็นแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันเนี่ยเราเป็นผู้ดูสุขก็เห็นทุกข์ก็เห็นปวดเมื่อยก็เห็นเห็นตรงนี้เราก็คือเราดูมันเฉยเฉยจิตใจมันก็ปกติเฉยๆฉยนะมันไม่ฟูฟูแฟแฟบเพราะความพอใจไม่พอใจ อย่างที่เขาบอกว่าถอนความพอใจและความไม่พอใจออกในโลกออกในโลกได้เึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกตัวที่ได้ฝึกฝนแล้วทีนี้นการฝึกฝนเนี่ยการเจริญสติเนี่ยเราต้องทําอย่างต่อเนื่องทําตั้งแต่ตื่นยันหลับแล้วก็ <c oughs> พยายามใช้วเวลาที่มีอยู่เนี่ยตั้รูปแบบให้มาก การเดินจงคุ้มก็ดีการสร้างจังหวะก็ดีให้กับเรื่องนี้มากแล้วก็พยายามเก็บตกจากชีวิตประจำวันการมีสติในการกินในการเคี้ยวในการดื่มในการนั่งห่มในการเดินไปไหนมาไหนหรือในการเก็บกวาดปัดถูการอาบน้ำสิ่งเหล่านี้เนี่ย นะมันก็จะทำให้เกิดความต่อเนื่องได้เราอย่าไปเพียงแค่จเจริญสติในรูปแบบอย่างเดียวเห็นะมีบางคนนะตั้งหักตั้งใจดนะีปฏิบัติในรูปแบบเต็มที่เลยนะแต่พอออกจากรูปแบบก็ไปคุยกันเลยนะหรือไปคุยโทรศัพทนะ์คุยกับคนที่นั่นที่นี่ตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เราฝึกมาเนี่ยมันก็จะหายไปอย่างรวดเร็ว หลมงพ่เทีมันเปรียบเทียบเหมือนกับเออโองก็ดีหรือว่าถังน้ำก็ดีมันรั่วนะก็คือการที่เราจเจริญสติ ม, มาอย่างดีแล้วเราก็ไปพูดคุยกันนะตรงนี้นะทำให้ความรู้สึกตัวมันรั่วเพราะนั้นก็จะขาดความต่อนเนื่องเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าใครก็ตามที่มุ่งหวังนะที่อยากจะเอ่อทำให้เกิด สิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัวอย่างชัดเจนเนี่ยนะก็จำเป็นที่เรต้องทำอย่างต่อนเนื่องทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบมาอยู่ที่นี่นะ่พยายามลดการพูดคุยให้ ม, กมากาการพูดการคุยมาที่นี่นะ่ยอย่าไปมุงหวังว่าโ อ, โอดีจะเจอเพื่อนใหม่นะแล้วก็สันทนาการพูดคุยกันสนเสียงาถามสารทุกสุขดิบ นะวันหนึ่งเนี่ยเราจะเสียไปกับเรื่องนี้นะไม่น้อยเลยนะถ้าเราสังเกตดูแล้วการพูดคุยเนี่ยมันเป็นหูวรั่วนทะำให้เจริญสติของเราเนี่ยไม่ก้าวหน้านะมันจะเนิ่นช้าแต่ตรงนี้ก็ไม่แมกหพราว่าโอเราจะไม่คุยกันเลยนะก็คุยกันเท่าที่จำเป็นแต่เรื่องที่ไม่จำเป็นเนี่ยก็อย่าไปคุยนะพยายามอยู่กันแบบตัวใครตัวมัน การฝึกจลา์สติเนี่ยเท่าที่สังเกตเนี่ยจากครูบาอาจารย์ก็ดีจากตัวเองก็ดีเนี่ยถ้าเราให้เวลาอุทิศเวลาให้มันเต็มที่เนี่วันนึงเนี่ยเรียกว่ามีเวลาว่างตอนไหนเนี่ยเราจะเดินจงกลมเราจะสร้างจังหวะเราจะไม่ไปพูดไปคุยเราจะไม่ไปปลดปล่อยอารมณ์มบางทีทำไปมากๆมันเบื่อมันซึง งานี่ยมันไม่อยากจะทําแล้วก็ไปหาเรื่องคุยเนี่ซึ่งตรงนี้พลาดไปเลยเราไม่สามารถที่จะผ่านอารมณ์ที่เป็นอารมณ์เบื่อได้เพราะฉะนั้นอารมณ์ทุกอารมณ์เนี่ยเข้ามาให้เราเรียนรู้ถ้ามันเบื่อขึ้นมาเนี่ยเราอย่าเพิ่งหนีนะแล้วก็พยายามนะที่จะแก้ไขอารมณ์เหล่านี้ด้วยตัวเราเองอย่าไปอาศัยเสียงแวียกร้องข้างนอกเช่นไปพูดไปคุยไปหาเรื่องอื่นทํา นะลองดูก่อนที่ว่ามันไหวไหมถ้าไม่ไหวจริงๆก็ได้เหมือนกันกิจกรรมแต่เป็นกิจกรรมที่ทําเฉพาะตัวเช่นอาจจะไปกวาดลานวดัดอาจจะไปซักผ้านะนนี้ก็ จ, จะแก้อารมณ์เบื่อได้บ้างนะแต่อย่าไปพูดไปคุยเลยนะถ้าไปพูดไปคุยแล้วมันสนุกแล้วมันสนุกมันก็จะเพลินนะมันจะเพลินแล้วมันก็จะความรู้สึกตัวมันก็จะหายไปเลยนะสิ่งที่เราฝึกนะเหมือนกับบอก อาสตางใส่กระปุกอมสินเนี่ยเหมือนกับเราสร้างจังหวะเดิจนจังกลมอย่างเงี้ย น, นะพอไปคุยอย่างเงี้ยนะก็ปวกแตกเลยนะนะก็คือสติหายเลยนะมันก็จะสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการพูดการคุยเพราะฉะนั้นการพูดคุยมากๆเนี่ยมันจะทําให้การเจริญสติของเราลื่นช้านะมาสี่สิบวันเนี่ยก็อาจจะได้เพื่อนใหม่กลับไปโดยความอพ อ, ออกพอใจมีความอบอุ่นใจที่มีเพื่อน แต่ว่าสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้ก็คือสติความรู้สึกตัวในเลซใจที่ปกติที่เราไม่ได้สัมผัสจริงๆพร น, นั้นเรากลับไปเราก็เหมือนเดิมอะน่ะมาฝึก40วันก็ไม่ได้อะไรหรอกนะ่ะก็กลับไปเหมือนเดิมเป็นคนเจ้าอารมณ์เหมือนเดิมเป็นคนที่ทุกข์เหมือนเดิมเป็นคนขี้เหนาเหมือนเดิมนะแต่ถ้าเรามาฝึกกันน่อย่างเต็มที่ทําให้ต่อเนื่องน่ตั้งแต่เช้า จนถึงข่ําตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนาตรงนี้ ม, มันก็น่าที่จะมีผลบ้างนะแต่ยังไงก็ตามเราก็ไม่ต้องไปหวังผลอะไรมากนะการเจริญสติเนี่ยก็ทำไปเรื่อยๆมีชีวิตอยู่ไปวันๆหนึง่งโดยตองไปนับถอยหลังว่าอีกกี่วันอีกกี่วันนะมีชีวิตไปแต่ละวันมีความรู้สึกตัวแต่ละขณะความรู้สึกตัวแต่ละขณะนะแล้วก็สังเกตสิ่งที่มันเกิดขึ้น ความพอใจความไม่พอใจนะ่ที่มันเกิดขึ้นนะ่ะแล้วเราก็กลับมารู้สึกตัวกลับมาสู่ความเป็นปกติให้ได้บ่อ ย, อยการกลับมาสู่ความเป็นปกตินะีมันจะเป็นเองนะถ้าเราทำความรู้สึกตัวให้ชัดเจนเนี่ยมันจะกลับไปเองนะมันจะรู้ว่าความพอใจไม่พอใจความสุขความทุกข์เนะี่ยมันเป็นธรรมชาตินะเหมือนกับสายลมแสงแดดนะ่ที่เขาเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลานาตรง น, นี้มันก็ทำให้เราเกิดการปล่อยวางเราก็จะได้สัมผัสกับสิ่งที่เป็นปกติซึ่งเป็นนิพพานน้อยนิพพานชั่วคราวาที่อาจารย์พุทธทาสเนี่ยตุาไม่เข้าใจว่าอาจารย์พุทธทาสเนี่ยเป็นคนพูดรื่อเนี้ประโยคนี้นะเป็นคนแรกๆนแล้วก็ตุลาเองก็ได้รับประโยชน์จากคําพูดเหล่านี้เพียงแต่ตอนนั้นเราได้ยินเป็นคําพูด เป็นทฤษฎีเป็นปริยัติที่เราได้มาปฏิบัติมามาเจริญมาเราก็ได้สัมผัสงานเล็กๆน้อยๆแล้วเราก็เห็นเลยว่า <c oughs> พุทธศาสนาเนี่ยมีประโยชน์สูงสุดในที่คนทุกคนควรจะได้รับไม่ใช่แค่เพียงมาทางบนเอาสวรรค์นะได้ความพออกพอใจได้ทำดีเท่านั้ น, นแต่เราจะต้องเหนือ เหนือจากดีขึ้นไปนก็คือความเป็นปกตินะไม่ไม่พอใจไม่ดีใจเสียใจจนเกินไปนะตรง น, นี้แหละเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดนะในพระพุทธศาสนานะที่พวกเราทุกคนน้าหน้ า, นาที่จะได้มีโอกาสนะได้รับประโยชน์ตรงนี้แล้วก็ควรไม่หวังเพียงแค่ประโยชน์เล็ก เรื่งต้นนประโยชน์ต้นหน้าเท่านั้นควรจะมุ่งไปที่ปรโยชน์สงสุดก็คือพระนิพพานที่เป็นที่หวังอย่างที่เราได้สดเงินกันไปส่วนใหญ่เราก็มุ่งหวังตรงนั้นซึ่งก็เรียกว่าเป็นสภาพที่สุดแหงทุกข์เป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราควรจะตั้งเข็มหรือมุ่งหวังไปสู่จุดนั้นนี้ได้ไม่ว่า ในเวลานี้ขนาดนี้เราอาจจะยังไม่ถึงทั้งหมดยังไม่เป็นถาวร น, นะแต่ก็ได้ได้สัมผัสกับความเป็นปกติหรือสภาพนิพานชั่วครั้งชั่วคราวก็ยังดีนะทำให้จิตใจของเราเป็นปกติเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เป็นสิ่งที่ไม่เหนือวิสัยหนะ้าที่เราจะกระทำนะด้วยการเพียรพยายามมีความอดทนนะ ความเพียรเนี่ยมันนึกฝนนะครัเปรียบเทียบนะทียบทาให้เราพุทธะเนี่ยจเจริญเติบโตเราพุทธะก็คือความตื่นรู้แะที่เป็นสภาพของจิตใจนะที่ตื่นรู้กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้ น, นภายในกายภายในใจของเรานะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากพวกเรานีได้พิจารณาแล้วก็ด้วยสิ่งที่เราได้เพียรพยายามเนี่ยนะก็ น่าจะเป็นตัวหนุนนาะให้เราได้สัมผัสนะกับความเป็นปกติของใจนาะดูบ่อยๆนะแล้วตรงนี้หละจะเป็นหลักเป็นที่พึ่งในะที่แท้จริงของเรานะในการที่เรามาใช้ชีวิตนะที่วัดป่าสกโตแห่งนี้นะอันนี้ท่าที่สักนี้นะก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระสีรัตนไตรนะก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ นะพระพุธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็คือสติสัมปชัญญะนะที่มีอยู่แล้วในตัวเรานะพระธรรมก็คือสัจธรรมความจริงนะที่แสดงปรากฏออกมานะทั้งที่เป็นสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็ตามนะเราเรียนรูนะ้ความจริงตรงนี้นะแล้วก็พระสงฆนะ์ก็คือผู้ประพฤติปฏิบัต นะหรือการประพฤติธปฏิบัตนะิของพวกเราทุกคนนะแล้วก็ด้วยความเพียรนะด้วยความอดทนความศรัทธาที่มนะีให้เรามีส่วนสําคัญนะที่จะหนุนนําให้ทุกท่านนะได้ไปถึงที่สุดแห่งทุกนะซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาหรืการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในพระพุทธศาสนา ในปัจจุบันนชาตินี้โดยช่วหน้ากันเทินเจริญพร